ผู้หญิงคนหนึ่งหนีความจอดแจขับขั่งกลางกรุงเทพมาอยู่บ้านจัดสรรชานเมืองทีแรกก็อยู่สุขสบายดีแต่ว่าสองสามปีต่อมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งย้ายมาอยู่บ้านติดกับรั้วของเธอ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 จริงๆเนี่ยให้เพื่อนบ้านที่น่ารอกนี่เราเลือกไม่ได้นะอยากจะได้เพื่อนบ้านที่น่ารักไอ้ความแบบนี้มันเลือกไม่ได้บางทีก็เจอเพื่อนบ้านที่น่ารอกครั้นจะขับสายไล่ส่งหรือกำจัดเ้าก็ทำไม่ได้นะ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 ใจอยู่กับการกวาดเวลาใจเผลอไปไปนึกถึงหน้าเพื่อนบ้านเกิด อ, อารณขุมขุนมัวขึ้นมาก็รู้ทันวางมางันลงซะแต่บางคนไม่ไม่ยอมนะจะต้องนึกกลดาเพื่อนบ้านให้ได้ถ้าไม่กลดารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม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 นึกถึงขยะที่เจ้าของบ้านเอามาทิ้งเอาไว้หรือว่าพอใส่บาศเสร็จเห็นขยะนะก็ฉุนปรีดขึ้นมาอันนี้บุญที่ทำนี่มันตกหล่นเลี้ยล่าหายหมดเลยนะแทนที่จะได้บุญจากการใส่บาตก็ไม่เหลือหรอเลยนะบุญไปตกอยู่กับพระหมดนะคือพระก็ได้อาหารไปนะเป็น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 ในความปรารถนาดีของลูกเนี่ยอยากจะให้พ่อแม่มีสุขภาพดีพอเห็นพ่อแม่ทำางนั้นเป็นยังไงจากความรักกลาเป็นความโกรธเลยเนะลูกหลายคนนี่โกรธนะหงุดหงิดพ่อแม่ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคาสั่งของหมอหรือตามคาแนะนำของลูกสูบบุหรี่อย่างสูบบุหรี่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 ก็ทำางนี้ทั้งทั้งเช้าก็แล้วบ่ายก็แล้วก็ยังไม่หยุดนะบางทีตกมาถึงค่าลูกบางทีหงุดหงิดมากนะพ่อแม่ไม่เป็นดั่งใจเป็นงี้มาติดต่อกันเป็นอาทิตย์นี่มีนะบางคนนี่ลูกชายบางคนนี่ถึงกับขยับจับคอเสื้อของพ่อนี่ข ย, ย่า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 สิ่งสําคัญอย่างนี้คือการมาดูแลใจของตัวด้วยดูใจของตัวอย่าให้ให้ความให้ใจที่ปรารถนาดีใจที่เต็มไปได้วยความกตัญญูซึ่งเป็นกุศลทั้งนั้นมันกลายเป็นใจที่หงุดหงิดนะรำคาญ ร, ระอาหรือว่ากลายเป็นใจที่พอใจมันพิก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 แต่ถ้าไม่ดูใจตัวเองเความผิดหวังมันก็หรือการที่เห็นอะไรไม่ถูกใจมันก็สามารถจะเปลี่ยนความเมตตาให้กลายเป็นความโกรธได้และแทนที่จะดูแลเขาก็กลายเป็นการซ้าเติมเขาหรือทาสร้างความทุกข์ให้กับเขาเสร็จ แ, แล้วเราเองซึ่งเป็นลูกก็มาเสียใจผิดหวังรู้สึกผิดกลัดกลุ้มใจว่าทำไมเราทำอย่างนั้น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 รั้วติดกันเนี่ยมันก็ทําให้เห็นอยู่เห็นแล้วนึกถึงกันบ่อยๆแล้วคนเรายิ่งเกลียดยิ่งชิงชังก็ยิ่งนึกถึงได้ง่ายบางทีนึกถึงมากคนที่เรารักอีกนะพ่อแม่นี่เรารักแค่ไหนลูกนี่เรารักแค่ไหนนี่บางทีก็นึกนึกไม่บ่อยอแต่คนที่เรากเกลียดนี่เราจะนึกบ่อยมากเลยอนึกแล้วเป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์เนะี่ย เราจะประคองรักษาความตรวธ ค, ความเกลียดความจริงชังกับเขาไว้ทําไมนะอันท่าฉลาดนี่รู้จักแผลเมตตาแผลเมตตาให้เขาเพราะบางทีคนแบบนี้ก็น่าสงสารมีพฤติกรรมแบบนี้นะมีนิสัยแบบนี้นี่ยากที่จะหาคนรักหรือคนที่จริงใจเข้าได้เพอเราคิดไปไกลๆนี่ก็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 คนงานก่อสร้างก็ไม่ได้ผลนะกับแย่กว่าเดิมนะก็โกรธนะแต่ตอหลังก็มีคนแนะนำว่าลองใช้วิธีนี้ดูสินะมีขนมนะมีอะไรก็ไปให้คนงานก่อสร้างแล้วให้คนคุมงานด้วยนะเทศกาลปีใหม่สงกรานเนี่ย หรือตุดจีนนี่ก็อ่ะก็เอาขนมเอาขนมเปี้ยเอาของขวัญเอาอะไรไปให้ฉันเพื่อนบ้านที่ดีเจอหน้ากันก็ไตไท่า ถ, าถามทุกสุขนะ ก, ก็ทำนะก็ทำอยู่เรื่อยๆจกนกระทั่งสนิทสนมคุ้นเคยกับคนงานก่อสร้างกับคนคุมงานช่างรับเหมาบอกว่า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 สางคนอยากจะออกให้นะอยากจะออกเผื่อให้อยากจะจ่าใยจ่ายให้ให้ความเป็นเพื่อนเนี่ยมันมันทำให้จากความเห็นแก่ตัวกลายเป็นความมีน้ำใจอันนี้ก็มีก็มีวิธีที่แก้ปัญหาเพื่อนบ้านนไม่ใช่โดยการไปต่อว่าไม่ใช่โดยการไปเรียกตํารวจมาจัดการ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 ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลืมนะที่พูุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ลืมการทำจิตนะทำแต่กิจนะแต่ว่าลืมทาจิตกวาดขยะก็อันนี้เราเป็นการทำกิจนะแต่ว่าใจนี่ไม่ได้ไม่ได้ดูแลไม่ได้เอาใจใส่อันนี้เรื่ไม่ทำจิตไม่ทำใจนะทำจิตก็คือมีสติ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 งานก็เรียบร้อยใจเราก็เป็นสุขหรือว่าเราช่วยดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขให้มีความทุกข์น้อยลงเราเองก็พลอยมีความสุขไปด้วยไม่มีความทุกข์รารวมจิตใจแต่ทางตรงข้าม้าไม่ทําจิตแล้วนี่ไอ้กิจที่ทํานี่ก็เสียหายนะแทนที่จะช่วยเขาก็กลายเป็นการซ้ําเติมเขา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 นะที่จะรักษาใจตัวให้ดีมันก็ทำให้เราสามารถจะเกี่ยวข้องกับเขาได้อย่างเป็นบวกอย่างสร้างสรรค์ห้ทาอะไรเนี่ยนะอย่าลืมนะสำคัญสุดสำคัญข้อหนึ่งคือต้องกลับมาดูใจตัวเองเสมอนะดูใจไม่ว่าเราจะทำกับใครไม่ว่าเราจะทำอะไรนะให้การ กลับมาตามดูรูจใจตัวเองเนี่ยมาช่วยทำให้สิ่งที่เราทำนั้นมันได้ผลและตัวเราก็จะเป็นสุขหรืออย่างน้อยก็มีความทุกข์น้อยลงด้วยเอาละชาตนี้ก็เพิ่กระทานนี้นะกลับไะ